สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพตระเยซูตอนที่486เรื่องคดีพระเยซูรครั้งที่สามพี่น้องครับคดีพระเยซูนั้นก็สามารถที่จะเล่าได้ในหลายๆวิติครับและในเช้าวนันนี้ครั้งที่สามนี้ผมอยากจะขออนุญาตอัญเชิญพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเก้า พระธรรมย้อนบทที่สิบเก้าข้อที่สิบสองตั้งแต่นั้นไปปีลาสก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่เป็นมิตรของซีซ่าคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซ่าเมื่อปีลาสได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบันลังพิพากษาณนะ ที่เรียกว่าลานปูศิลาภาษาฮิบรูเรียกว่ากับบาทาวันนั้นเป็นมันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตึงเขาเสียที่กังเขนปิลาศพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กังเขนหรือ พวกมหาปุโรหิตตอบว่าเว้นแต่ซีชาแล้วเราไม่มีกษัตริย์แล้วบีลาศก็มอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขนเขาจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทร ง, งแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากระโลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่าโกลโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้าง และพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวเป็นอันมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กันกับกรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูภาษาลาตินและภาษากรีกฉะนั้นพวกมหาผลิตของพวกยิวจึงเรียนปีลาตว่าขออย่าเรียกว่า กษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปีลาตตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูเรื่องคดีพระเยซูในแง่ที่ว่าเวลาที่ชาวยิวพูดกับปีลาตเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูนั้นชาวยิวรู้กฎหมายของโรมดีครับ ใครก็ตามที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เองโดยที่โรมไม่อนุญาตคนนั้นมีความผิดในขณะที่กฎหมายยิวนั้นไม่สามารถประหารชีวิตได้แต่กฎหมายโรมประหารชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่กล่าวหาว่าพระเยซูตั้งตังตวเป็นกษัตริย์เพื่อที่จะให้ผิดกฎหมายของชาวโรมและให้กิลาศซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจากโรมนั้นตัดสนนั้นดูเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้ในข้อสิบสามขณะที่พวกเขาบอกว่ากล่าวหาปีลาศว่าถ้าปล่อยคนคนนี้ท่านก็ไม่เคยมิตรของซีซ่าเพราะทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซ้าปีลาศได้ยินอย่างนั้นก็กลัวครับเขาก็เลยพาพระเยซูมานั่งที่ภาคสาบนบาลังและเขาพูดกับพวกยีว่านี่คือกษัตริย์ของทั้งหลายนี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลาย พี่น้องครับคำคำนี้เปรียบเสมือนกับเป็นคำที่ยืนยันความถูกต้องของพระเยซูยืนยันความความถูกต้องของพระเยซูว่าพระเมสสิยาคือผู้ที่รับการเจิมการเจิมนั้นแท้จริงแล้วเจิมเป็นกษัตริย์ครับเจิมเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของพวกเขาที่เขาไม่ยอมรับแต่เป็นกษัตริย์ของพวกเราผู้เชื่อ ที่ยอมรับพร ะ, ระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือแผ่นดินอันราชอาณาจักรของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระองค์ที่มาตั้งอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้พวกเขาก็เลยร้องอึงเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูปเป็นกษัตริย์ของเขาเขาเลยร้องอึงร้องอึงและร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าตึงเขาเสียที่กังเขนตรึงเขาเสียที่กังเขน ปีแากก็ให้โอกาสถามเขาอีกว่าท่านจะให้เราตึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่ยังเขียนหรือมหาโพริ์ตอบ ว, ว่าไงครับมหาโพธิตตอบว่าเว้นแต่ซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์พี่น้องครับคําพูดคํานี้เป็นคําพูดที่ไม่จริงแท้ที่จริงแล้วมหาโพธิตและพวกยิวธรรมจารย์ทั้งหลายผู้นําศาสนา ผู้นำทางการเมืองซึ่งเขาไม่มีในเวลานั้นเขาต้องการผู้นาทางการเมืองที่จะมาปลดแอกเขาจากชาวโรมันครับชาวยิวนั้นถูกครอบครองมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์จากอียิปต์ก็ดีนะครับจากบาบิโลนก็ดีจากอัสซีเรียก็ดีตอนนี้มาให้โรมได้ครอบครองสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ฝังอกฝังใจพวกเขามาก เขาอยากจะมีวันหนึ่งที่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวที่เรียกว่าพระเมสสิยาก็คือกษัตริย์ที่จะนํามาซึ่งการปลดแอกปลดจากความอัปยศอดสูปลดจากการเป็นเมืองขึ้นปลดจากการเป็นทาสที่เขาจะต้องรับใช้โรมมาเป็นเวลานานปีด้วยเหตุ น, นี้เองเขารอคอยพระเมสสิยาครับแต่พระเยซูไม่ได้เป็นพระเมสสิยาในสายตาของเขาในความคิดของเขา ในมโนโคติของเขาและเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเยซูยังสอนว่าพระองค์กับพระบิดานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เขารับไม่ได้เขาไม่มีวันที่จะเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาด้วยเหตุนี้เองทําให้เขาตัดสินใจที่จะกําจัดพระเยซูครับอีกประการหนึ่งคือพระเยซูนั้นทรงมีสานุสิ์สาวก ต, ต, ติดตามโปร่งมากมาย และสาวกของพระองค์นั้นก็เป็นชนชั้นล่างส่วนใหญ่นะครับเป็นชนชั้นล่างเขาก็กลัวว่าพระเยซูจะก่อวอดและหากว่าจงก่อวอดสําเร็จแล้วก็ตําแหน่งสถานภาพของพวกนักปกครองนั้นก็จะสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกําจัดพระเยซูให้สิ้นซากและการกําจัดนี้ ไม่สามารถกำจัดด้วยมือและกฎหมายของชาวยิวเองก็เลยต้องยืมมือยืมกฎหมายของโรมครับผ่านปีลาตเพื่อที่จะกำจัดพระเยเซูเสียปีนองครับคำว่าเว้นแต่ทิซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์คำพูดคำนี้พูดเพื่อที่จะเอาใจปีลาตเพื่อพูดเพื่อที่จะให้ปีลาตได้เห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องประหารชีวิต สั่งประหารชีวตพระเยซูจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีต่อซีซ่าผู้ส่งเขามาผู้ตั้งเขามาในที่สุดเขาก็พาพระเยซูไปที่โกลโกธาครับแล้วก็ตรึงพระเยซูที่นั่นคำว่าโกลโกธานั้นก็แปลว่ากันโหลกศีษะครับหากเราไปที่อิสราเอลไปที่เยรูซาเลม็มเราก็จะพบว่ามีหน้าผาแห่งหนึ่งครับ ดูเหมือนจะเป็นกะโหลกศีกรษะเพราะจะมีเบ้าตาที่หวํมเข้าไปเป็นถ้ำนะครับจะมีโพรงจมูกหวํมเข้าไปแต่น่าเสียดายครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้ถมนะครับถมหน้าผาตรงนั้นมาครึ่งหนึ่งเป็นที่จอดรถบัสอย่างนี้ก็ตามครับป้ายที่เขียนตึงพระเยซูนั้นเขียนเป็นสามภาษาก็คือภาษาฮิบรูเขียนให้คนยิวอ่าน ภาษาละตินก็เป็นภาษาราชการและภาษากรีกภาษากรีกก็คือเป็นภาษาชาวบ้านในสมัยนั้นชาวบ้านทุกคนนะครับจะต้องพูดภาษากรีกครับภาษากรีกนั้นเป็นภาษากรีกชาวบ้านไม่ใช่กรีกคลาสสิก ข, ของพวกโฉบเทสเพลโตหรืออะลิสโตเติลแต่เป็นภาษากรีกชาวบ้านที่เขาพูดกันในแถบนั้นที่นองครับมหาปุโรหิตอยากจะให้ปีราดเปลี่ยนว่า คนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจริงๆแล้วปีลาตให้เขียนป้ายบอกว่าเยซูชาวนาซาเลตกษัตริย์ของพวกยิวเยซูชาวนาซาเลตกษัตริย์ของพวกยิวนั่นคือป้ายที่บอกถึงสงญาลาักษขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับพระเยซูชาวนาซาเลตกษัตริย์ของพวกยิวในที่สุดแล้ว เมื่อชาวยิวกลับใจในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงนั้นเราจะพบว่าในที่สุดแล้วชาวยิวจะกลับใจครับชาวยิวจะได้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของตนพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งสองตอนในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตา ให้พระเยซูนั้นทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเราครับเป็นกษัตริย์ที่ทรงบังคับบัญชาเป็นกษัตริย์ที่มีแผ่นดินมีราชัญจักรของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะเป็นพระชากรของพระเจ้าเป็นพระชากรที่มีพระเยซูทรงครอบครองอยู่และพระเยซูครอบครองพวกเราโดยใช้กฎหมายก็คือพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าพระเยโฮวา ครอบครองชาวยิวพระองค์ก็มีกฎหมายให้กับชาวยิวพระเยซูครอบครองพวกเราพระองค์ก็มีกฎหมายให้กับพวกเราก็คือพระกัมพีทั้งเล่มทั้งพระกัมภีเดิมและพระกัมพีใหม่นี่นะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้อย่างแท้จริงให้เราขอบคุณพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน